ตัวอรหโตสัมมะตัมพุทธะนะโมตัตสะคะวตอรหโตสัมมะตัมพุทธะนะโมตัตตาะคะวตอะรหโตสัมมะตัมพุทธะตัวโคปุญญสัอุกเจโยติบัดนี้จะได้แส ด, ดงธรรมีกทาภาลณาสาสนธรรมคําั่งสอนข้ององค์สมเด็จพระภูมิพระพาเจ้า พอเป็นเสื่องประคับประพรองสร้องตรชาแห่งขันตนิ์พุตธิศาะนิไกชนทั้งหลายเพราะวันนี้เป็นวันปั น, นราศีีที่สิบห้าค่าเป็นวันมหามงคลอันหนึ่งซึ่งเป็นวันภาวนาของพระที่สูงโดยส่วนใหญ่ไมว่า ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่นับถือพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันมหาปรานาคือเป็นวันออกพรรษาหรือเป็นวันเปิดโอกาสที่พิธีศูาม์สามเณรจำพรรษาในอาวาัตหนนั้นจะรวมกันเปิดโอกาสแก่กันให้บอกกล่าวตักเตือนถึงกันและกันได้ คือการจำพรรษาในระยะไกลมาสามเดือนมีความเห็นความเป็นอย่างไรก็ให้ว่าเปล่าตัดเตือนกันได้ในคาบาลีท่นานว่าทิเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายาวาหากเห็นกาดีได้ยินกาดีหรือสงสัยกาดีสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเถอองคลเป็นไปเถอะกุญสน เป็นไปเพื่อทางเสียหายให้ตักเตือนกันคนที่ถูกตักเตือนก็จะได้ทั้งรวมระวังต่อไปนี่เป็นคําออกภาษาของพระพิสุสามเณรซึงว่าเป็นวันเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันได้านอกจากนั้นพิกสุสามเณรที่จำํำรรษาในอาวาตอันนั้นในรรษามีพระวินัยผูกมัดไว้ไม่ให้ไปแรมคืนในที่อื่นนอกจาก จิตจำเป็นจะไปได้เพียงเจ็บวันคือศทตะหะไปนอกนั้นถ้าหากจะไปตามลำทังใจพันตาตลอขาดทางภายในปลอปรับอบัติฉะนั้นวันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นระยะที่พิสุสามเณรผู้มุ่งมัน่นจะออกวิเวทตามสถานที่ต่างๆที่ตนชอบจิตชอบใจจะไปได้ตามปรารถนาแต่วันนี้ไปจนกระทั่งวันเก่ า, าพรรษาปีใหม่ นี่เป็นวันเปิดอันหนึ่งซึ่งพวกพิสูตามมเนนจะได้ไปตามความชอบใจของตนแล้ววันนี้เป็นวันมหามงคลซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ลงุ่มสาวโดยส่วนใหญ่มักจะไปทำสักการะบูชาในวัดที่ตน มีอยู่ทางเตียงบ้านเดือนของตนชาเป็นหมู่บ้านนอกจากเมืองโดยส่วนใหญ่ในบ้านหนึ่ ง, งๆก็จะ ม, มีกี่วัดวัดใดที่ตนขนัดวัดใดที่ตนชอบใจก็จะต่องไปสู่วัดนั้นไปถวายดอกไม้ถูกเพียนตักราบูชาพระรัตนตัยแล้ววันนี้พวกเราเราพุทธศาสกกนิกชนกวไปก็ได้พากัน มาถวายดอกไม้ทุกเพียนนอกจากนั้นก็พคากันทาวัดความพิสุจสามเณรสวดมนต์ซึงเป็นการบูญการบูสนได้ทางอามิยบูชาและปฏิบัติบูบชาในพระราชนาจยแต่ยังไม่พอจิตพอใจของตนอยากะสีัสรับฟังคำคำต่างๆของพระพุทธเจ้าแะนั้นจึงมีการอราณานารยนน์มณไหพระพิสูจน์สงมาแส ด, ดงธรรม การแสดงคำว่าเพื่อจะอบรมจิตใจของตนให้ได้รับความถูกความสบายการฟังรร่งคำนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึง18แปกตกต่างกันกับการฟังเพลงฟังละครต่างๆเพราะว่ารรคำมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้แสดงก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีจะอยู่ในท่าที่อันสงบจึงจะได้รับผลประโยชน์จากการสะดับรับฟัง หากูดคุยกันคนนั้นพูดคนนี้พูดเสียงก็ลั่นขึ้นไม่ทราบว่าจะฟังเสียงใครท่านแสดงอะไรบาบุญคุณโทษก็ไม่เข้าจิตเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรนำไปปฏปปิบัติตามดะนั้นการฟังธรทมต่างสอนจึงมีการสงบกายสงบใจตามหน้าที่ของผู้ฟังผู้แสดงจึงจะสะดวกในการแสดงต่อไป พอทำกรรมต่างสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลาหากเป็นบุญเป็นกุศลเรื่องบาปอากุศลของการฆ้าก็จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคารพเชื่อมัน่นไม่เลือ่อมใสไม่มีความสงบกายสงบใจคล่องตนอยากกุศลอนาอะไรก็พูดไปตามลาทางคล่องตนฉะนั้นจึงขอเชิญทุกท่านตัง้งจิตตั้งใจสงบฟังโดยเคารพ เรื่อมใสทำนั้นจึงจะไหลเข้าไปสู่จิตใจฟ้องตนท ำ, ทำตามสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่มีคุณค่าราคาสูงจะหาซื้อจากที่ไหนไหนหาซื้อ ไ, ม, ไม่ได้สม่ไมพระพุทธเจ้ายัางไม่บุบสารายทำที่ขันนามาเนี่สอนยอมใหม่มีซ่อนอยู่ในที่ต่างๆยอมลุ่มหลงไปตามกิเลสตัณหานําพาฟ้องใจ แต่สมัยท่นานศาสุแล้วออกโปรดเวนัยสั์คนผู้ประพฤติปฏิบัติอักธรรมรู้เห็นเป็นเจียงขึ้นเชื่อเลื่อมใสนับถือกันมาในสองพ0้รกว่าปีด้วยอำนาจความดีของศาสนาเป็นเครื่องประกาศสัจจะธรรมครสอนของพระพุทธเจ้าจึงยังคงเต้นคงวามาตลอดพวกเราปัจจุบันทันตาทุกวันนี้ฉะนั้นการฟังธรรมธรรงสอนของพระพุทธเจ้านั้น ขอให้พากันสงบกายสงบใจฟังจริงจังคู้ที่ตั้งใจฟังทำคำต่างสอนนั้นจะเกิดสติปัญญาริ่ชาความรู้จะนำคำนั้นไปปฏิบัติตนทองตนให้มีความสุขความสบายเบิกบานใจต่อไปคำต่างสอนโดยส่วนใหญ่ท่านกสอนตามเรื่องของบุคคลผู้กระดับรับฟังถ้าหากมีนิสัยยังอ่อนท่านสอนอนุปุธิกศา สอนตามทางศีนขึ้นไปตามลำดับถ้าคููมีอุปกรณ์ใสแกะป้าท่านก็สอนอริยศาสตร์เจ็ดธรรมนี่เป็นเรื่องพระพุทธเจา้าทรงแน้สอนพวกเราซึ่งมืดบอดด้วยกันไม่ทราบว่าใครมีนิสัยยังอ่อนหรือแกะป้าขนาดไหนแต่นั้นการสอนจึงสุ่มเดาไปตามความโง่เขาของคููสอน ยิ่งในวัดนี้ก็ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนาำรับตำราและไม่เคยผ่านสังคมการแนสอนก็จะต้องสอนไปอย่างสมดาคิดถูกอะไรก็ให้ผูกฟังทีนี้ทจะรณนาโดยตนเองแล้วความผิดที่ท่านแสดงไปก็อย่านำไปลึกคิดติดตามหรือปฏิบัติโยนมาให้ผู้แสดงส่วนจริงใดที่ถูกเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำเป็นไปเพื่อ คำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อการชำระสะสารกิเลสตัณหาส่วนนั้นจงนําไปประพฤติธปฏิบัติกายใจของตนเพราะบุญกุศลที่พวกเราเหล่าพุทธศานสนิกชนมุ่งมั่นประพฤติธปฏิบัตินั้นในทางคำคำสัง่ ง, ง, งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นทางนํามาถึงความสุขความสบายอย่าขาดสิทิ์ที่ว่า ก็ ข, ขอปัญญัตาอุเตโยการสาสมสืซึง่งบุญนํามาถึงความสุขดังนี้การสาสมบุญนั้นก็มีหลายทางด้วยกันนิ่ใช่ว่าจะมีแต่การบวชโดยถ่ายเดียวเป็นการสาสมบุญการให้ทานยางพวกขันชา ย, ยกชาจิกาทากันปฏิบัติรักษาศาสนามาก็เป็นบุญเป็นกุญช น, นหนึ่งซึ่งจะ มองข้ามไม่ได้เพราะพระพุทธศาสน า, าจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการให้ทานพวกท่นทายกอุบาสกอุบาสิากาเหมือนกันเพราะพระภิกษุสามเนรอยู่ในวัดในวาไม่มีการทำมาค้าขายไม่มีรายได้อะไรนอกจากอาศัยข้าวปลาอาหารจากชาวบ้านผู้เลี้ยงใส่เท่านั้นไม่อย่างนั้นจะไม่มีกําลังกายไม่มีกําลังจิตประพฤติปฏิบัติศาสาานาต่อไป เพราะกายของทศที่สุสามาเนนกวดีกายของสัตว์หรือบุคคลทั่วไปกวดีจะต้องอาศัยอาหารอาหารเป็นของสําคัญสําหรับหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกําลังหากไม่มีอาหารการกบฉันทศสามาเนลเหล่านั้นก็จะอยู่ในวัดได้วาไม่ได้เพราะไม่มีกําลังกายจะประพฤติปฏิบัติจะศึกษาเรียนอะไรสถานการให้คือการให้ทานไม่ว่าจะให้ ข้าวปลาอาหารหรืออะไรข้าสอนตอนสบายต่างๆตลอดที่อยู่ที่อาศัยท่านจึงว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่บุคคลผู้ให้ไม่ได้เสียหายไปสถานที่อื่นผู้ให้รละลึกนึกถึงการะทำบําเพ็ญของตนจะมีความสุขชื่นเบิก บ, บานในจิตในใจการให้ทานจึงจิตแตกแตกต่างกันกับการขี้เขาเขาโมยไปหรืกอก้นขี้ไป เพาเราตั้งใจเสียสละส่วนที่เขามาต้นมาชี้มาลักมาขโมยไปนั้นเราเสียออกเสียใจถึงของนั้นจะ ม, มีคุณค่าราคามากมายรายหลวงขนาดไหนก็นตามแต่ความเสียใจจะเกิดขึด้นเกิดจิตชาเกิดลิสยาเกิดผูกรรมจองเวียนซึ่งกันและกันส่วนการให้ทานนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเราเต็มใจเราพอใจเรายินดีเราเลื่อมใส จ, จะให้อะไรไป เราเต็มใจทางนั้นแล้วแล้วลิศเ ล, ลิกขึ้นในการแต่ทำบาเพ็ญของตนนี่จิตชุ่มชื่นเบิกบานผู้ให้ทานจึงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาสเสน่ห์สำหรับคนผู้ได้รับจะมีความยิ้มแยามแจ่มใสมีความดีอกดีใจว่าคนนั้นได้ให้อันนั้นคนนี้ได้ให้อันนี้แก่เราแล้วก็ไม่ปลูกอาฆาตเสยบาทตึงกันและ ก, กันจะเป็นมิตรกันต่อไป การให้ทานเป็นเรื่องสมานมิตรอย่างนี้และการให้ทานเป็นมหาเสน่ห์ทำให้คนอื่นทั่วไปยินดีเหลื่อมใสแต่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปล่าว่ะเป็นบุญเป็นกุศลและองค์ต้องเด็ดพระทศพรคือพระพุทธเจ้าเคยอบรมแม่สอนหรือสะสมมาเป็นเวลาชาตินานก่อนจะมาตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่นั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้ได้อุตส่าห์ละเจหาสถานบางเรือนสองตัว เข้ามาดูเอาวาเพื่อสักการะบูชาพระราชนาจยและระดับรับฟังตามคำสั่งสอนของผู้เผยพรเจ้าก็ได้ชื่อว่าพวกเราแสวงซึ่งบุญซึ่งกุศลใส่ตนข้องตนบุญกุศลส่วนนี้แหละเมื่อเรายังต้องเที่ยวอยู่ในวัดจาสงสารเมื่อใดจะเป็นเครื่องจิตต่อยหอยตามตัวไปทุกทุกท่าจะไปสถานที่ใดบุญกุศลจะจิตตามไปเหมือนเงาติดตามตัวแตนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทมองข้ามเรื่องบุญเรื่องผูกศรนควรจะสะสมอบรมเอาเพราะพวกเราทุกคนเกิดมาด้วยบุญด้วยผูส้นและก็อายุของคนไม่ยืนยงคงอยู่นมนามขนาดไหนเดี๋ยกวก็จะจากร่างกายคือตายไปเมื่อตายไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่เมื่อไม่มีบุญผูศรสะ ส, สมเอาไว้ก็จะเป็นคนที่ทุกอยางอดยากลบากทุกอยาก่าง ตลอดถึงสังสารลางาจที่เป็นหญิงเป็นชายตบเพียงแก่รูปร่างาชาดขนเท่านั้นหาความดีงามสวยสดไม่มีตลอดถึงว่าความสุขทางสมบัติธาตุาฐานเมื่อเราไม่ได้มีบุญมีกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเราท่านที่ได้สแสวงหาบุญกุศลอุตส่าห์สละบ้านเรือนของตนมาสดับรับฟังธรรมธรรมต่างสอนวันนี้จึงได้ชื่อว่าพวกเราสั่งบารมี คือความดีให้แก่ตนทองตนความดีส่วนนี้แหละจะทีดอออกผลให้ตนของตนได้รับความสุขความเจริญเพราะการสะสมซึ่งบุญซึ่งกุศล น, น, นี้สะสมทีละนิดทีละหน่อยหลายครั้งหลายผลไม่หยุดไม่ถอยก็จะมากขึ้นเองฉะนั้นจงพากันอย่าประมาทอุตส่าห์พยายามกระทำคุณงามความดีเรื่อยไปคนเราถ้าหากว่า ไม่ใช่เรื่องของกรรมคือบุญบาปเป็นเจ่งตกแต่งให้แล้วคนเราเกิดมาก็จะไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันอันนี้เราพอพิจารณาออกและพิจารณาได้ชัดเจนว่านมนุษย์เราเกิดมาจากบุญจากผุสนถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันวามผิดแปลแตกต่างกันนั้นมีมากจะเป็นลูกของคนคนเดียวกันแต่เทอาว่าสติปัญญากำลัง กายกำลังซัดซัดผิดกันมากก็เพราะบุญกุศลที่คนเหล่านั้นสะสมมาผิดแตกแต่างกันหากไม่อย่างนั้นจะเสมอเหมือนกัน่วกไปนี่เป็นเรื่องที่เราจะินิจใช้พิจารนาสะสมคุณงามความดีเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนประมาทเกิดมาเสียชาติของมนุษย์ไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเกิดมาก่อเหมือนกันกับศัตร ไม่ได้ประพฤตปฏิบัติอัดทานทานไม่ให้จิตไม่รักษาภาวนาไม่บำ เ, เพ็ญยังแต่จินแต่เลียนแต่เพลิแต่เพลินถึงเวลาลมหายตายไปจะเสียใจภายหลังฉะนั้นพวกเราทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามทำคุณงามตามดีวันนี้ได้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียชีเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสานาจงพาการอุตส่าห์พยายามทำคุณงามการดีต่อไปจะไม่เสียใจในเมือ่อลมหายตายไปว่าเป็น เพราะเราประมาทอย่างนั้นอย่างนี้คุณงามความดีจึงไม่เกิดมีในตัวข้องตัวถ้าหากเราคิดเรานึกตึกตามอย่างนี้การสร้างคุณงามความดีก็ไม่เป็นของยุ่งยากลำบากอะไร <c oughs> เราจะทำอยู่แต่ฐานที่ใดก็ทำได้เพราะคุณงามความดีเราทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาแย่งปียงเอาไปเป็นทำให้ตัวข้องตัวเอง จึงควเต็มออกเต็มใจแต่ทำบำเพ็ญคุณงานความดีส่วนนี้จะผิผลให้คนที่ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพธิดาไปเกิดเป็นเศรษฐีกรุมเพีหรือภรรชาต่างๆเพราะความดีของท่านเคยสะสมอบรมเอาไว้ความดีนั้นโดนบันดาลให้ไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขคนที่ยากจนเขินใจไร้ซปัญญาหาชาชินย็น ทั้งยางก่งขอขพรเหตุบาปเขาประมาในเมื่อเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้สะสมคุณงามความดีอะไรเอาไว้เยังไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เต็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ต้องบุนพูนศึกจะไปที่ไหนก็ลาําบากยากเย็นเขฉนใจทุกแห่งทุกหัวไปเมื่อเราทราบว่าบุญกุศลเป็นเครื่อง น, นําความศึกมากให้อย่างนี้ก็ไม่ควร น, นอนใจไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ควรสะสมคุณงานความเดียวไว้เพราะชีวิตของพวกเราไม่มีเครื่องหมายในประการอะไรต่อไปว่าจะเท่าแก่เท่าก่อนที่จะตายก็ไม่ใช่บางท่านบางคนก่อตายยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่นับไม่ถ้วนความตายในนี้เครื่องหมายอย่างนี้คุณงานความดีจึงไม่ควรนอนใจควรกระทาบำทําเพ็ญให้เกิดให้มีซึ้นแก่ตนของตนความดีนั้นการให้ทาน เสียที่บายมาก็เป็นความดีอันหนึ่งการรักษาศีลคือการรักษากายวาจาของตนไม่เสียหายไปในสถานที่อื่นเพื่อไม่ทําผิดทางกายมีการขะกันดีกันมีการรักการสมวยกันต่างๆนานาเหล่านี้รักษาเอาไว้ใจพวกเราเมื่อมีศีบลบริบูร์จะไปสถานที่ใดก็มีความสุข ได้สูกใจไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นถาคนไร้ศีลคนไม่มีศีลคนผู้ศีลจะไปสถานที่ใดก็ตั ว, วคนอื่นเขาจะจำได้ว่าเป็นคนตัวคนเสียต่างๆไม่มีความป่าหานในที่ชุมนุมชนตอนนั้นศีลปัจจุบันท่านตาว่าเห็นได้ว่าผู้ใดมีศีลผู้นั้นมีความองอาจ ป่าหาันไปสถานที่ใดไม่ตกความมาคนที่ไ ม, มนี้ศีลในตัวข้องตัวจะต้องได้รับามทุกอย่างเดือดร้อนแขะเขาตัวข้องตัวเองไปสถานที่ใดเห็นคนไปกลินไปจีไ ป, ไป่าไปจีคนอื่นจะมาในที่ชุ ม, มชนุมคนกลัวคนเขาจะจําหน้าได้กลัวคนเขาจะจับคุมคุมตัวไปสถานที่ใด <c oughs> ต่อไปในที่มืดที่สว่างเข้าไปไม่ได้ คราบัวเขาจะจับตัวได้หรือเจะจับคุมคุมตัวคนทำความชั่วก็คือคนมืดคนตามืดไม่ได้มองเห็นอกเขาอกเราไม่ได้มองเห็นอะไรว่าผิดถูกดีชั่วคนมืดคนบอดจึง ท, ทำความชั่วคนดีคือคนมีตาสว่างทำอะไรทาในที่สว่างทำอย่างองอาจอากล้าหารดะนั้นการรักษาศีลพวกเราท่านทุกคนก็ควรสงนควรรักษาควรกระทำคือ ข้อศีนไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นมีอยู่ที่กายที่วาจาที่งตนรักษาก็คือใจเป็นผู้รักษาผู้ที่มีศีนสมบูรณ์ในตัวของตัวมีความสุขความสบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่นั้นพวกเราท่านจงพากันอุตส่าห์พายายามตามรักษาเรื่องข้อศีนศีนเป็นขอ้อดีวิเศษอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นทางเกิดสิ่ถึงบุญถึงปุถุชนประการหนึ่ง การภาวนาก็คือการอบรมจิตใจคองตนให้สงบระงับเพราะใจของพวกเราขึ้นมักคุงคิดติดตามเรื่องต่างๆทั้งที่จรมาและขุดขึ้นจากตัวเองอยู่ต่ําเสมอใจในนี้เวลาหยุดเวลาพักนึกคิดติดตามเรื่อยไปการภาวนาคือการสรวมใจการทําใจคองตนให้สงบระงับจะเห็นความสุขเกิดขึ้นจากใจที่สงบระงับนั้นเป็นอาริสง์ ถ้าหากเราภาวานาตั้งหน้าทำจริงจังเหตุผลต่างๆที่เราเคยสงสัยในจิตในใจจะตกออกไปจะมีความสุขความสบายที่เลี่ยตัณหาถึงเคยลบควนจิตใจก็จะเบาบางไปหรือหลุดออกไปจนหมดสิน้นแต่นั้น้าเกิดขึ้นซึ่งบุญซึ่งกุศลย่อๆซ <c oughs> ึ่งเรียก บ, บากบุญกิริยาวัตถุก็คือทาศีลภาวานาช า, าจะพูดไปมาก ก็มีมากเรื่องของบุญของกุศลทางจะเกิดขึ้นจะอะไรก็าตามการทำคุณงานความดีนั่นแหละเป็นทางบุญทางกุศลคนพวกเราเราพุทธศาส น, นิเกชนจะอุตส่าห์พยายามขว้างขวายระทําขึ้นให่มีในกายในใจของตนคนที่มีบุญมีกุศลแล้วไปแต่ถานที่ใดไม่มีการ <c oughs> อดอยากอยากเย็นไม่มีภัยอันตรายแก่ตนมีความสุข ทั้งอยู่ทั้งไปเรียกว่าสุ ข, ขาโตไปฐานที่ใดไปดีมีสุขไม่ได้เป็นทุกขาโตแต่นั้นพวกเราท่านเมื่อได้สะดับรับฟังทำคำสั่งสอนอย่างที่อธิบายมานี้จงพากันโยนิโสมนสิการ <c oughs> ทิจะะารณาโดยในใจแยบคายแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติละทั่วบำเพ็ญดีการทำคุณงามทำดีคือทานศีลภาวนา ในเกิดนี้ขึ้นในตัวของตัวต่อจากนั้นไปคว า, ามสูกกายสูกใจกวจะเกิดขึ้นในอวัาศานการอธิบายธรรมวันนี้ขอคุณพระศีรัตน์ใจและบุญกุศลทั่วไปจงตามคุ้มครองพวกฉันทา ย, ยกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจปรารนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสาเร็จตามความมุ่งม า, านะ่นปารธนา ทุกติ่งทุกประการนังรับประทานแสดงมาขอเห็นบ่าขอสมควรเฉลยลาเย่บัง